กัจะตายแล้วตัวใครตัวเองคบเพื่อนดีก็ดวงเฮงคบเพื่อนเซ็งเซงเปลือกเนื้อเปลืองตัวเจอกเพื่อนดีๆเรื่องไหนไม่ดีเพื่อนยังห้ามมัวเพื่อนชั่วคุณเอ้ยมันยุสองเลยถ้าเราทาชั่วเพื่อนไม่ดีมันทั้งทุกข์ทั้งทุ่มเพื่อนดีมันก็อุ้มเราทั้งบอบ คบเพื่อนเจอปากเปื่อนนฉันจะปลีกตัวเพราะปากเปือนแล้วมาล่อนเปลิ้นย่อเราเผื่อเรากินแสนจะน่ากลัวคบเพื่อนดีเป็นสีแก่ตัวคบเพื่อนชั่วขอปลาใจเพื่อนกลางชีวิตเพื่อนโดนย่าพิดเพื่อนอย่างทนได้เรื่องว่ายทวนน้ำยังที่เพื่อนทำ เราทำไม่ได้ไม่อยากเป็นสุนัขหางด้วนแล้วเที่ยวได้ชวนแล้วให้ขอด้วนตามไปฉันไม่ขอด้วนตามใคร เจอปากเพื่อนๆฉันจะปลี่ตัวพระปากเพื่อนล้มันหลอนกลิ่นย่อเราเผื่อเรากินแสนจะหน้าตัวคบเพื่อนดีเป็นสีแก่ตัวคบเพื่อนชั่วเกาะปลาชัยเพื่อนกลางชีวิตเพื่อนโดนยาพิษเพื่อน ได้ชวนและให้เขาด้วนตามไป